เจตสิกอย่างที่ต้องเกิดพร้อมกับจิตทุกขณะและดับพร้อมกับจิตทุกขณะข้อที่หเอกาคตาความมีอารมณ์อันเดียวข้อนี้หมายความว่าจิตที่เกิดขึ้นแต่ละขณะเช่นชั่วขณะที่เห็นแวบหนึ่งหรือชั่วขณะที่ได้ยินแวบหนึ่งจิตที่เกิดแต่ละขณะจะมีเพียงอารมณ์เดียว จะมีหลายอารมณ์เกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันไม่ได้ตัวอย่างง่ายเช่นเราจะนึกคำว่าอาระหังไปพร้อมๆกันไม่ได้จิตที่นึกถึงอะก็เป็นจิตขณะหนึ่งจิตที่นึกถึงระก็เป็นจิตอีกขณะหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นขอให้สังเกตว่าในขณะที่นึกถึงอะก็มีแต่อะอยู่ในใจ เมื่อนึกถึงระอ่ะจะหายไปมีแต่ระปรากฏและเมื่อนึกถึงหังระก็หายไปอีกเมื่อย้อนต้นนึกถึงอ่าใหม่ระก็หายไปเราจะให้คําว่าอะระหังทั้งสามพยางนี้เกิดพร้อมกันในขณะจิตเดียวกันนั้นเป็นไปไม่ได้ในความหมายอย่างนี้แหละที่เรียกว่าจิตที่เกิดขึ้นแต่ละขณะ จะต้องมีอารมณ์เพียงอันเดียวแต่อย่างไรก็ดีการนึกถึงอาระหังนั้นในความหมายที่แท้จริงก็ไม่ได้หมายความว่าจิตมีเพียงสามขณะความจริงทั่วระยะที่นึกถึงอะซึ่งเรารู้ว่าจิตที่เกิดขึ้นมีขณะเดียวนั้นถ้าเราเป็นคนมีสมาธิดีคือเข้าฌานได้จนกระทั่งวิ ญ, ญญาณทั้งห้าดับมีแต่มโนวิ ญ, ญญาณเกิด ติดต่อกันไปทุกขณะจิตเป็นเวลานานๆแล้วจะพบว่าชั่วขณะที่นึกถึงอ่านนั้นจิตเกิดดับหลายขณะมาเหตุผู้อ่านกือในแต่ละวินาทีนั้นจิตมีการเกิดดับอย่างรวดเร็วหลายครั้งติดต่อกันคล้ายกับแสงไฟที่ความจริงคือการเกิดดับ แต่เป็นการเกิดดับอย่างเร็วเลยทำให้มองเป็นว่าเป็นแสงเดียวกันนะครับ